เรื่องวิศวกรรมหากอมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยรู้กันได้เพียงใน่นาทีสองนาทีดาวเทียมที่ส่งออกไปบินอยู่เนือโลกนอกโลกมีหลายร้อยดวงส่ง้อสัญญาณมาทั่วโลกส่งโซจอโทรทัศน์ผาพื้นแผ่นดิน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 อรัชชงอรัชีเจ้ารัฐีเจ้านิกายอะไรนั่นดังกระชอนประโคงข่าวทั้งหนาห น, นังสือพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์เอาออกนอกประเทศ น, เนู่นนะนี่เรียว่ายก ข, ข้อมูลข่าวสารทําสิ่งที่ชั่วให้เป็นสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ดีกบเกินให้เป็นสิ่งที่ชั่วก็ได้ทาให้ประชาชนเข้าใจไขว้เพลิดพลาดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลือกเอาเทิดถ้าต้องการประโยชน์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 ถ่ายทอดทั่วทั้งประเทศไทยที่กรมประชาสัมพันธ์ปาตกระธรรมอาตมาเองก็ได้ไปกาปาตกระธรรมที่กรมประชาสัมพันธ์หาบันทึกเสียงที่กรมประชาสัมพันธ์ก็ไม่ทราบว่าถ่ายทอดออกวันอาทิตย์ไหนพอตนเองก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันเพราะงั้นทางหน้าทีวีอาตมาเองเมื่อเดินที่แล้วก็ได้ไป ปาสกุรธารมทีทีวีช่องสิบเอ็ดช่องส1บเอ็ดมีเครือข่ายทั่วทังประเทศถ่ <c oughs> ายมาดูช่องฟรีขอนแก่นถ่ายมาอีสานเราแต่ก็ไม่ทราบไปเมื่อกันว่าเขาถ่ายทอดว่าไหไรเพราะไม่มีโทรทัศน์ไม่วัดถึงมีก็คงก็ไม่มีโอกาสได้ดูได้ฟังแม้แต่วิทยุ <c oughs> ก่อมือนกัน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 หน่วยราชการต่างๆนอกจากนั้นกอบประชาชนผู้ไฝ่บุญไฝ่กุศลบ้านเล็กบ้านน้อยทิ้นรุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับที่ไหนอออยากจะฟังเทศมามีเวลาว่างก็ไปความจริงก็ปาร์ตนาอยากจะพักผ่อนในวันเข้าพรรษาในเล็ดูเข้าพรรษาเพราะว่ามีพระมีเนนเยอะที่วัดอยากจะอยู่ใกล้ชิดแก่พระ สององคเณนจะได้อบรมอมนิสัยพัฒซ้อนทั้งสมาธิภาวนาทั้งตัวเองก็จะได้ไดพักผ่อนอบรมสมาธิภาวนาพัฒนาจิตแต่ก็เป็นไปไม่ได้โลกกําลังขาดแทนาหาเวลายากวันนี้เป็นวันพระวันพระวันธรรมสวรรณ์วันประเสริฐซึ่งเราทั้งหลายเป็นที่ทราบกันดีวันนี้จะมาได้มีโอกาส มาการาปรทาทกธรรมอีกวันพระหนึ่งก็เลยวันนี้อยากจะพูดต่อในวันพระคนก่อนๆโน้นได้พูดเรื่องทำมิกราดทำมิกราชหรือพูดมาถึงตอน ท, ท้ายวิศวกรรมห่าก้อมมาถึงวิศวกรรมห่าก้อมและเวลามันกำหมดยังไม่สมบูรณ์แบบ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 พระ ก, ก่อนโนได้พูดเรื่องคำมิกราชซึ่งคนโบราณของเราเคยพูดเอาไว้ว่าเวลาใดเกิดยุคเหนบ้านเมืองเกิดเดือดร้อนบุญวายละสําระ้ายไม่มีระเบียบวินยัยลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ <c oughs> บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินยัยเดือดร้อนกดขี่ขมแหงเบียดเบียนซึ่งกันและกันเวลานั้นก็จะเกิดมี ทายาท ร, รมิกรามถ้าเอกขี่ม้าขาวมาช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยปราบยุกเข็นมีคนโบราณพูดอย่างนี้แล้วก็เล่ากันมาเป็นยุคยุคอาตมาก็ไปเก็บความจากคำภีโบราณบ้างคือคำภีคลองโบราณคองโบราณลำพื้นเมืองเหล่านี้ แล้วก็ไปเก็บความมาจากพระไ ต, ตรปิฎกจะตุกนิบาตอังคุตรนิกายท ร, รมิกะสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่7าที่97แห่งพระไตรปิฎกสยามรัฐอันเป็นฉบับภาษาบาลีอันเป็นต้ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเพลงเช่ญคังแรกเป็นออริจินัลแพงชิเป็น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 ห่างจากกรุงมอสโกไปหกร้อยกิโลเมื่อปีพศสองพันหรอยี่สเก้าผ่านมาหยกยกเป็นเหตุให้โลกตกใจกันเกือบจะช็อกกันไปทั้งโลกเพะกระมันดาภาพรังสีจากโรงงานอืมพลังงานนิวเคลียร์ได้พวยพุ่งขึ้นไปในอากาศถึงห0ร้อยกว่ากิโลแล้วก็กระจายไปกับสายลมถึงขนาดว่าไม่มีลมมันก็กระจายไปอย่างน้อยรอบๆก้างพันหกร้อยกิโลเป็นเหให้จะต้อง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 ก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนหน้าปี2529นั้นก็ 2,527 527ก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่คือโรงงานแยกก๊าซของบริษัทโยเนียนคาบ้ายที่เมืองโบปานหรือว่าโพปานประเทศอินเดียได้เกิดรั่วแล้วก็ส่งสารแมตชิง ตายโอเชียนเนตละลายออกทำให้ผู้คนตายทันทีสองพันคนหลังจากนั้นเข้าโรงพยาบาลสี่หมืองกว่าคอนตาบอดหูหนวกเปือยผุพังนี่นี่เหตุการณ์ลนี้ทำให้เราได้เห็นแล้วว่ามันรุนแรงขนาดไหนเทคนโนโลยีสมัยใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา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 กินจากไอจากคาร์บอนที่เราเอามาเผาจากคอยเสียเครื่องยนต์ต่างๆโรงงานต่างๆนอกจอากนั้นก็จากพลังงานนิวเคลียร์ที่ระเบิดจากแก๊สที่มันรั่วออกไปไม่อากาศให้อากาศน้อยลงมีความร้อนมากขึ้นนอกจอากนั้นก็ออกมาจากสาร CFC c h l o r ฟู คาร์บอนซึ่งเอามาใช้ในเครื่องแอร์ปรับอากาศในตู้เย็นแล้วก็ในพวกสเปรย์ทำเป็นน้ำหอมอะไรต่างๆพวกสารพวกนี้มีพิษมากทาลายอากาศชั้นโอโซนในอากาศเนี่ยได้หมดไปได้บางไปบางไปแต่ก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคิดว่ามันดีนึ่ง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 แล้วก็กลายเป็นคอรีนออกมาคอรีนนี้ออกมาแล้วก็ไปทำให้โอโซนกลายเป็นออกซิเจนเมือบออโซนกลายเป็นออกซิเจนแล้วผิวระดับบรรยากาศที่เรียกว่าโอโซนเรเจอร์คือชั้นของโอโซนที่หนาๆควบคุมไว้เป็นบางไปด้วยกันหมดบางลงแล้วมันก็เป็นรูโว่ขึ้นไปบนฟ้าให้ความร้อนแสงกุนตาวและเลฟจากอาทิตย์นี่ก็เข้ามาเกิดโอโซนโฮคือฮูหใหญ่ หว่างบานนี่ในชั้นโอโซนนั่นะตามรายงานของคณะวิทยาศาสตร์ไปสำรวจความเป็นไปในบริเวณทาีิสแอนตาร์กติกปรากฏว่ารูโวนั่นเก็กำลังขยายกว้างออกไปกว้างออกไปโอโซนนี้ช่วยก้องไม่ให้แสงอุลตร้าไวโ อ, อเรตลงมาที่ผิวโลกมากเกินไปเมื่อชั้นโอโซนที่เป็นตัวป้องกันเนี่ยมันบางลดน้อยลงไปก็มีช่องโหว่กว้างขึ้นแล้ว แสงอุ่นจากเอรล่านลงมาได้มากก็จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตแก่โลกเพอาะอยเสียงไม่ดีถ้าไม่เกินมะเร็งในผิวหนังแก่มนุษย์และจะลงไปทําอันตรายแก่ชีวิตเล็กๆที่ไปมีพูงต้านทานบนผิวโลกในทะเลจ้ทไใหสัตว์เหล่านั้นตายในน้ําเมื่อชีวิตเหล่านั้นตายสัตว์ปูปลากุ้งหอยตายลงไปบ้างต้นไม้เล็กๆบางส่วนทนไม่ได้ตาย ต้นไม้ที่มีอายุสันส้นๆพื้นยืนต้นที่ปูขึ้นมาไม่สามารถจะทนได้ตายลงไปเกินมาก็ไม่งามปูหกงอลงไปบนผิวโลกในทะเลชีวิต น, น้อยๆเหล่านั้นถูกทําลายชีวิตใหญ่ๆอย่างชีวิตคนที่อาศัยชีวิตเล็กๆนั้นก็จะพลอยพินาศตามไปด้วยพอไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรจะอยู่จะกินเนี่ยลำบากตามหลักของความอิงอาศัยกันที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอีทัพปัจจยตา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 เป็นปัญหาใหญ่ทั้งปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับความเป็นความตายของมนุษย์ความพินาศของมนุษยชาติกำลังจะโดดเด่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ปัญหาที่ล้ำหน้าปัญหาดิวคลีที่ว่าระเบิดออกมารั่วออกมานั่นก็มีปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมาก็คือโอโซนเลเยอร์เนี่ยชั้นโอโซนที่นาแน่นหุ้มห่อโลกและก็ป้องกันแสงอุ่นาและเลจากดวงอาทิตย์ให้มาสู่โลกให้โลกร้อนมากมาก เดี๋ยวนี้ถูกมนุษย์เผาจนเป็นหงสอดจางฟางแล้วมันก็จะร้อนมากขึ้นออกซิเจนละลายมากขึ้นร้อนมากขึ้นหลังจากนั้นมนุษย์จะมีโรคพยาธิอย่างรุนแรงอย่างตายรวนเร็วสัตว์เล็กๆในน้ำจืดเงอตายได้ง่ายกว่าแล้วก็สัตว์ในทะเลตลอดทั้งพืชบางชนิดอีกตรงนี้แหละที่เรียกว่าถึงยุคเข้มมากที่สุด เพนั้นในโลกทั้งหลายก็หวาดวลแล้วใช่ี่ยเกิดมีการประชุมใหญ่ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ปีนี้ International Conference ที่ประเทศอังกฤษมีการประชุม123ชาติต่อมาไม่ทันนานดอกเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็ประชุมกันอีก86ประเทศที่กรุง เฮนซิงกิประเทศฟินแลนด์มีมีการประชุมกันเกี่ยวกับปัญหาอันเดียวกันเนี่ยเกี่ยวกับความอยู่รอดของมนุษยชาติแล้วก็ต้องการห้ามไม่ให้คนเราใช้สาร CFC คืออ่าครฟูลโอโรคาร์บินคาร์บอนขวาภัยเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาใหญ่มันเกิดถึงขนาดนี้แสงหน้าปัญหานิวเคลียร์เลยตายอย่างไม่รู้ตัวง่ายขึ้นมากขึ้น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 ท่านที่สามเขามาถึงใหม่ๆได 2500. ้ซ้องพันหาลอยีลวงแหล่วแถมถวนทายมาฟุกงมูประชาเชือดเศร้าซุ่มกวกไผ่ทั้งปูนยและผู้หน่อยพ้อยเหลี่ยวลายพังล่างคนอุตริขึ้นนำขั้นตนวาวิเศษวาตัวมีเดตาห่อได้อวดทายานถึงฝ่าเวหาให้คนเบิ่งเป็นอุ ป, ปลาดหลอกให้คนงอทั่วไป <c oughs> บางพองอวดว่าโตสิได้เป็นใหญ่ในสมผู้บางพองตัวว่าพอินสิลงมาเยี่ยมบางพองเตรียมตัวถ่าพระญาถ้ำ ม, มิกกะลาศ แ, แล้วบางพองเห็ดปหลาดแ่ลื่อลำทัวแดนเนี่ยท่านท่า น, านอาธิบายไว้อย่างเงี้ยพันที่สามคือสอง0ันห้าร้อยปีไปแล้วมันมีแปลกแปล ก, ปลกหนักขึ้นบางคนก็ว่าเราเป็นผู้มีบุญเห็นไหมล่ะเดี๋ยวก็เกิดพลือสีขึ้นมา แล้วก็เกิดภาษีอ่านขึ้นมาเดียวเนีนคําเกิดตรงนู่นคนก่อแแหงกันไปเดี๋ยวเนีนคําองค์ใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวภาษีอ่านเดียวนี่กําลังเด่นเด่นภาษีอ่านผู้หญิงภาษีอานเมีที่จังหวัดเลยแล้วก็กําลังเที่ยวไปประกาศทำว่าเป็นองค์ภาษีอ่านจะเป็นผู้หญิงนะตะมาปราถน า, าทกระาพบตรงนู้นตรงที่ เราเคยพูดเรื่องทาโลกวสีอันทีนี่เดี๋ยวนี้มันเกิดขอมรานท่านบอกไว้แล้วบอกว่าพันที่สามเข้ามาถึงใหม่ๆถึงสองพันห้าร้อยปีสองพันหร้อยปีล่วงแล้วแถมต่วนท้ายมาฟู้งงูประชาเชื่อชาวชนเผ่าพวกไผทั้งปุยให ญ, ญ่และปูนหน่อยพ่อยเลี่ยวลายพังลังคนอุตรีขึ้นสาคัญสนวาวิเศษว่ตโตมีเดชกาห้อไดอวดทายานนี่มีผู้มีนิดมีเดช เด่นดังโฆษณากันมาทั้งๆหนะ้าหนังสือพิมพ์ทั้งทางอะไรคนก็ลังไล้ไปก็เลยได้เงินได้ทองเวลาผู้มีบุญมีคุณมาก็ให้มอบไว้เด้อจย่ได้เงยหน้าบึงอะไรต่างๆนี่เยอะมาคนโบราณท่านไม่ทราบท่านรู้ได้ยังไงท่านก็พูดเอาไว้อย่างนี้บางคนฮอรที่ย่างเขื่นเวาหา้คนบึงคือพูดเฉยๆออกกับทำไม่ได้เป็นอุปราช หล่อให้คนงอทั่วไปบางพองอวดวา่าโตสุดแเป็นไง่ในชมพูบางพองตัวว่าปลอินสุดแลงมาหยียบบางพองเตรียมตัวถา่าพญารรมิกระชัเห็นไหมละ่ะปีสองพันสี่้อก่่าพญาทำมิกระชัที่เมืองอุบลที่บ้านสะพืกุสกอนนั่นน่ะเจ้ามั่นผีบุญมาประกาศตัวขึ้นหินแห่หินตายจะเป็นเงินเป็นทองมาฟักนี่สิเป็น อยากเป็นมารขวยตู้ขวยดอนจะเป็นยักษ์มากินหัวคนผู้หญิงคนไหนไม่มีผัวยักษ์ถืกินก้อนให้เฝ้าเอาผัวหนองนั่นถ้าใครมีบาปมีกรรมให้ไปตัดเวรตัดกรรมเรียกว่าผีบาปส่วนผู้มีบุญก็เตรียมตัวถ่าพระยะทำมิกระลาถูประเสริดแทนสิลงมาเหยาะโม่เฮ้าเตรียมตัวถ่าอะไรหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องทางการเมือ ง, งคนเบญาสประษษษสิทธิประสงค์ท่านก็เลยสั่งบาบ ค่าสาตาไม่ใจน้อยเจ้ามันผีผุนนึ่งก็รีบหนีไปก่อนจับไม่ได้ซ้าข้ามไปประเทศลาวจอยเนมี่ยพยายามมิการามเราได้พูดกันพันที่หนึ่งก็ยังมีพันที่สองก็ยังมีพันที่สามก็มีขั้นว่าสราณาหลวงจากสองพันปีไปแล้วก็เข้าสู่พันที่สามนี่ก็ยังจะพอมีแต่ว่าโลกเนี่ย มันจะลำบากมากน่อยแต่ก็ยังไม่ไม่หมดไปเป็นดังนี้คืนใหม่พันที่สามมีจะพากันตัวว่าตัวสิเป็นเจา้าบางพองหยกกันเขาไม้กันเป็นผักพวกสอมหมดพูดนึงไหเป็นเจ้าโจกจอมแน่สมมุิกันก็คนนั้นเก่งยงนู้นดีอย่างนี้แล้วก็ตังคณะเป็นกองเชียร์ผู้อื่นมากับตัวยูพน ด, ดีเท่าไหรันสั้นอย่างสิญญ เขาเรีสมมุติผู้หนึ่งให้เป็นเจ้าโจกจอมปลอมตัวเป็นเจ้าพญายาถ้ำมิกกาลอืท่ากันนบหนอบไหวพ่อหล่อหลอกคนมีครูบาอาจารย์บางคนไม่มีอะไรหรอกแต่มีกองเชียร์ขึ้นมาช่วยกันเชียร์วิว่งดียังสั่นจังสีด้ยผู้มีบุญมาเกิดในเจ้าใหญ่นายต่อมาเห็นนดอถึได้มอบได้ขับคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่กองเชียร์พากันเชียร์ข้างก็เลยร้องกันใหญ่ คนโบาณพูดไว้อย่างนี้ผ้ากนบหน่อไหวายพ่อหล่อหลอกคอนขั้นว่าเสื้อแล้วหลอกหลอกเอาของทั้งเงืนค้ามตัวอันบอมมีเว้นเป็นเสื้อผาแพร่ว่ามดทกสิงว่าแต่วังหลอกได้ให้เอาเสียงส่วนพ่อถึงพันดีสามเขา่ามาถึงข่าวแหลคนเป็นจังสี่เรื่องเลื่อยบวชขาดตายแต่แล้วข้าวนั้นยังมีหาแจมเจาตนประเสริฐมหาคุนก่อหนีบุญลายเลืนคนทั้งดาว คือร่มตั้งแต่สองพันหนึ่งร้อยมาจะมีมาเรื่อยๆหลังจางกนั้นก็นมาสร้างพระพุทธรูปเอาละไปละว่าคนเวลานั้นพูดไปแล้วพันที่หนึ่งมีพญาทำรรมิกราถัดเดือดร้อนวุ่นวายก็มีคนดีเกิดขึ้นพันที่สองก็เกิดขึ้นพันที่สามนี่วุ่นวายมากที่สุดแต่ก็มีพระญาทำมิกราชอาตมาก็เลยพูดเรื่องทำมิกราชเมื่อวานอืเมื่อวนันพระก่อนๆโน้น อัมมะแปลว่าความถูกต้องความดีความงามอี ก, กะประกอบด้วยราชาคำนี้เก็บคำแรกๆคำว่าราชาเกิดขึ้นมามาจากความพอใจมนุนย์ได้ดตั้งหัวหน้าขึ้นมาในเมื่อบ้านเมืองวุ่นวายก่อนที่พระพุทธเจ้ายักไม่เกิดอาตมาก็เลยไปเก็บสับนี้มาจากอาคัญยโสทีขนิกายปฏิกะวัก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 กับหัวหน้าที่เขาตั้งขึ้นมาปกครองเขาคนนี้ทําความพอใจทําความสุขให้สังคมเขาเรียกวราชราชาชาชาเป่าสุขใจสุขใจพอใจอันนี้คําว่าราชานี่มาจากคําว่ามาจากอาการพอใจอาการสุขใจธรรมะไปว่าความถูกต้องดีงาม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 เป็นอุมาสองอุมาสิกาขาราชการพ่อค้าประชาชนสูงสุดถึงพันบาทสมเด็จประชาอยโูหัวถ้าจิตใจของผู้ใดประกอบไปด้วยธรรมพอใจยินดีสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมผู้นั้นก็เป็นธรรมมิตรราชาธรรมมิก ร, ราชทันทีทางานเมืองมีคนชนิดมานี้มากๆขึ้นมันก็สงบมันก็ร่มเย็นมันก็ร่มเย็น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 พระสององค์เจ้ามีไม่น้อยที่ท่านมีความยินดีมีความเพลิดเพลินมีความสุขใจประกอบไปด้วยทําซื่อสัตย์ต่อธรรมประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นหลักใจแก่ประชาชนมีไม่ใช่ไม่มีแต่พวกที่ไม่ดีก็มีมากมีมากส่วนที่ดีก็มีโยมก็เลยคานอำนาจกันทวงกันไว้ให้บ้านเราเมืองเรายังอยู่ยันเป็นสุขได้ถึงแม้จะทะเลาะเบาะแว้งกันนี่แสดงว่า ว่าเราเมืองเราก็ยังมีทำรรมิกราชอยู่ทำรรมิกราชอย่างน้อยในจิตในใจของผู้คนนั้นแหละส่วนคนชั่วคนชั่วหรือร้ายคนดีก็ดีหลือหลายกา็ไม่เป็นไรเรากําลังพูด ก, กันในเรื่องนี้เราสามารถที่จะทําให้มีทำรรมิกราชขึ้นมาได้ในสังคมนี้อย่างโครงการอุดมการณ์แผ่นดินทำเป็นดินทองไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันไม่ใช่เรื่องลมล ม, ลมแรงแรงนั่นแหละคืออุดมการณ์ทําวิการาดาจะามาจะพูดได้เต็มปางเลยว่า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 ที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยตรงนั่นท่านบอกว่าดูกว่าลึกสุดทางร้ายเมื่อได้พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นพ่อค้าประชาชนพ่อค้านักวิชาการก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพ่อค้านักวิชาการไม่ตั้งอยู่ในธรรมประชาชนชาวบ้านขามันิคมท้งร้ายก็จะเป็นพวกไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อประชาชนชาวบ้านขามันิคมไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วเมื่อนั้น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 วิสามั่นวนเวียนไม่สม่ำเสมออยู่ดีๆโคจรเมื่อว่าแล้วก็ว่ากันไปใหญ่ถึงดาวของดาวหางเพราะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ได้ตัดแล้วว่าดาวนักษัตว์รือดาวนกษัตว์ทางร้ายก็จะหมุนเวียนไม่ไปตามที่ตามทางไม่มสม่ำเสมอของมันที่ท่านเรียกว่านักขัด ตาหนิตาระโรปานิปริวัติตันติวิสมังดาวนักษัตบทั้งหลายก็จะมุนงวีญญไม่สม่ำเสมอมันเป็นปวดเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นอย่างดาวหางต่างๆที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยถึงมันไม่ชนกับโลกของเรามันวิ่งผ่านไปเดี๋ยดูใหโลกนี่วิ่งตามมันไปเ <c oughs> ขาฝรั่งว่างี่ แล้วก็เห็นกันบ่อยๆในกลุ่มแกล็กซี่ทั้งหลายว่าอยู่ดีๆดาวมันระเบิดตุ้มคือมันวิ่งมาชนกันเท่าหูอยู่ที่ฝีมือของมนุษย์อีกแหละเนี่ยท่านนักลายหลองคิดโตเมื่อดาวเองก็ไม่หมุนวินสม่ำเสมอวันคืนก็ไม่สม่ำเสมอกัางวันกลางคืนไม่เท่าเก่าเดี๋ยวนี้หมุนไปหมุนมาบางวันขึ้นตนหนึ่งลงตองหนึ่งรัตินทิวาปริวัติตันติวิสมัง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 เราไม่ค่อยได้สังเกตแต่พระพุทธเจ้าท่านพูดกัแล้วท่านบอกว่าเมื่อวันคืนไม่สมัมเสมอแล้วมาถ้สมาสาปริวัตรตันติวิสมังหนึ่งเดือนครึ่งเดือนก็ไม่สมัมเสมอเหมือนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนไม่สมัมเสมอก็อุตุสังวัชลาปริวัตรตันติวิชมังที่นี่ฝนฟ้าถดูการก็หมุนเวียนไม่สมัมเสมอหน้าแรงเหมือนหน้าฝนหน้าฝนเหมือนหน้าแรงก็จะหมุนไปเวียนมา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 มันก็เลยบังลมมาจะากที่อื่นล้มละเนระนาที่นี่ไม่เป็นไรที่ไม่เป็นไรนั้นเพราะว่ามันได้สามัคคีกันมันมีหลายต้นมันช่วยกันเนี่ยแต่ที่อื่นล้มแล้วอยู่กลางทุ่งดิพระพุทธเจ้าบอกว่าไม้สูงโดดเดี่ยวแพ้ล่อมบ่นเดีนี่ไม่มีอะไรต้านทานแต่ที่วัดมันเป็นเป็นป่าใหญ่ๆอาตมารักต้นไม้มากเขือเขาเถาวันห้ามตัดใครตัดแล้วอาตมาจะดุถ้ารูทันหลกวิหลงห้าไม่กล้าหรอก พอครือเขาเท้าวันมันจะมัดกันมาลึงทึงเทืดมันช่วยกันรับน้ําหนักเมื่อลมแรงมาขร้อมวันนั้นนกหนูปูปีข้ารอกกระแตมันก็จะได้อยู่ได้อาศัยเมื่อท่านได้ยินเสียงมีเสียงนกเสียงการ้องมาด้วยกับเสียงผู้ท่านอย่าแปลกใจนี่ไม่ใช่นกขังไว้นะมันก็อยู่หอมันนั่นแหละมันอยู่ข้างๆในกุฏิธรรมามีแต่ขี้นกไม่ใช่นกขังนกมันมาอยู่ที่นี่มันอยู่ดีกินดีมันก็ไม่ไปมันไม่มีใครฆ่ามัน ที่ไหนมีคนข้ามก็ไม่ไปอยู่เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นฝนตกไม่สม่าเสมอลมพัดไม่สม่าเสมอแล้วหลังจากนั้นพวกเทวดาทั้งหลายก็จะกําเริบก็จะกําเริบเมือ่อลมพัดไม่สม่าเสมอและหมุนเวียนไม่สม่าเสมอพวกเท ว, วดาทั้งหลายเท ว, วตาปริกุปิตาภวันติเนี่ย เทวดาทั้งหลายก็จะพากันกำเลิบเมื่อเทวดากำเลิบเทโณนสัมมาทาลังอนุ ป, ปเวชติกฝนก็ไม่ตกอตามฤดูกาลแล้วไม่สม่ำเสมอพราะเทวดากำเลิบซะแล้วเมื่อเทวดากำเลิบฝนไม่สม่ำเสมอแล้วเป็นยังไงผลหมากว่าไม้ที่ปลูกมามันก็จะไม่สม่ำเสมออืวิสมปากริน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 จเจริญทางวิทยาศาสตร์ค้นคิดขึ้นมาหมื่นห้าพันชนิดเป็นอย่างน้อยในจํานวนหมื่นห้าพันชนิดนั้นมแมลงทั้งหลายได้ตายศูนย์พันไปเป็นจํานวนมากเพราะมนุษย์แข่งฆ่ามันด้วยยาฉีดยาพ่นยาครุกยาอะไรหลังอย่างนั้นก็มีมแมลงที่วิวัฒนาการเก่งขึ้นมาเรื่อยไม่ยอมตายเพราะยาเดีย่ยนี้นักวิทยาศาสตร์พวกแมลงวิทยาเขา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 ที่ี่ม่ต้องพูดถึงประเทศไทยประเทศที้ด้อยพัฒนาประเทศอื่นน่าคงจะตายมากกว่านั้นโดยวิธีต่างๆที่ยาฆ่ า, า, มาแมลงแต่เราไม่รู้เนี่ยท่านตาตุ่ยจนทั้งหลายท่านพุทธเจ้ า, จ, าจึงบอกว่าพืชมันก็ฝนไม่ตกต้องตามฤดูการหลังจากนั้นผลหมาหล่ามาน ก, ก็สกุกไม่ต้องตามฤดูการไม่สม่ำเสมอเก่งหนึ่งสุกกิง่งนึงเป็นลูกเก่งหนึ่งเป็นดอกซ่าละพักหลังจากนั้นมนุษย์ทั้งหลายกิน ข้าวกินปลาที่มันสุกไม่สม่ำเสมอผลหมากลากมาอย่างสารอาล่าในแอปเปิลที่เราได้ยินในนี้เดียวนี้มันผสมกันมากเลยทุกชนิดที่เราปลูกอาไปขายมันได้สะสมสารพิษเอาไว้เมื่อมันสุกไม่สม่ำเสมอสัสานิภวันติวิสมะปากีนิพกเวสัสานิมนุษยาดูก่อนที่สุดทางไลยเมื่อผลหมากลากมาที่มันสุกไม่สม่ำเสมอเมื่อมนุษย์ทางหลายปริพุนชันตา ได้บริโภคอาปายุกาจะโฮนติทุพันนาจะทุพลาจาพะพโหวาพาธาจะเนี่ยคนทั้งหลายกินเข้าไปอายุก่อน้อยลงผิวพรรณก็เส่อมองหลังจากนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็มีพระญาตอาฆาตตายไวตายไวนี่มันเกี่ยวโยงกันไปหมดอันนี้ที่อจะมาบอกว่าวิศวกรรมหาก่อมเดี๋ยวนี้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 พืชที่สร้างขึ้นมาไมา่แบคทีเรียไม่เหมาะกับดินเอือดินเข็มเดี๋ยวนี้ฝันกันไปไกลจะไปสร้างฟาร์มอยู่อวกาศจะไปสร้างที่โลกพระอังคารในนี่ในสหรัฐอเมริกากําลังค้นควา้าแบคทีเรียตัวใหม่ที่จะไปปลูที่ดาวอังคารอายุสั้นๆในอุณหภูมิที่พอเหมาะพอสมหลังจากนั้นเลยฝันเฟื่องกันต่อไปว่าจะสร้างเมืองในอวกาศจะสร้างเมืองลอยฟ้าจะสร้างเมืองลอยน้ํา สร้างแบคทีเรียใหม่สร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมามนุษย์พันธุ์นักรบมนุษย์พันธุ์ที่ใช้สติปัญญาดิคือเรียกว่าอ่าปัญญาประดิษฐ์อันนี้กําลังจะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยังมีมนุษย์พันธุ์นักรบมนุษย์พันธุ์ ก, กรรมกรเลเบรดวอดร์ดิมิร์อะไรต่างๆขึ้นมาอนนี้เขาฝันกันไปไกลจะไปปลูกพืชอยู่บนดาวอังคารจะย้ายบ้านเมืองใหม่กับ พวกคนไทยเราจะมาสร้างอีสานเขียวนี่ไม่รู้ใครจะใกล้ความจริงกว่ากันอาตมาคิดว่าอีสานเขียวของเราเนี่ยมันแค่อึ่มมันแค่เอึ่มถ้าหากเราพร้อมเพียงกันรักสมัครสมาน ร, รักต้นไม้แล้วก็เบือนายอบายามุกไม่ต้องเป็นถาดของอบายามุกมีจิตใจเจริญรุ่งเรืองด้วยสินุธรรมอีสานเขียวไงนิดเดียวอยู่แค่ปลายจมูกแล้วะจะว่าเรามันจะพร้อมกันมันจะรักกันไหม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 พ่อออกแม่ออกญาโยมทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคนโบราณพูดเรื่องหาก้อมอือฮาตอมเฮวคนโบราณบอกว่าผู้ใดมีคาถาหาก้อมเขียนใส่ลงไปในเบรลนันเอาไปฝังลงในถ่านนา้ำงวงควายคนไหน ม, มากินแล้วก็ซึมกระเทือดสี่วันห้าวันตายมับเจ้าของหาก้อมก็ไปเที่ยวปัวไปเที่ยวรักษาเอาควายตัวละเท่านั้นเท่านี้แกปัวแกกระหายและแกก็ได้เงินได้ทองเขาว่าวิชาหาก้อมนี่รวยเงินแต่ก็ทําให้คนเรียนเป็นปอบ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 สร้างตัวยีนโคโมโซมแบคทีเรียใหม่ขึ้นมาใส่เข้าไปในท้องแม่ทีเข้าไปแบบผสมเทียมแล้วจะออกมาเป็นคนที่ม่มันสมองดีเป็นคนที่พันไก่ตีนักลบก็ได้เป็นคนชนิดที่ทำงานเก่งๆขายันเรียกว่าเรเบรตก็ได้เรียกว่าซุปเปอร์เรก็ได้พันมาตรฐาน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 เมื่อใครมีโรคภัยไข้เจ็บจะประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับอวัยวะเหล่านี้ก็จะพาตาเปลี่ยนแปลงใหม่ได้หมดในความจเจริญมันฝันใสไปไกลถึงขนาด น, นี้นี่แหละที่ก็เรียกว่า genetically engineering วิศวพันดุ ก, กรรมศาสตร์อาตมาบากกรรมาอาบวา ก, ก, รรกว่าวิศวกรรมหากอมีกินหัวเหา ทีนี้ถ้าเกิดทํากันขึ้นมาได้จริงๆมีธนาคารตับธนาคารไปธนาคารใส่ธนาคารพุ่งเกิดคนอยากคนจนไม่มีเงินซื้อหรือบางทีพวกแผลพวกหมอที่ทําได้อย่างนั้นจริงๆเก็บตับไตใส่พุ่งไว้ในอุลนะฮะภูมิที่สร้างไว้โดยเฉพาะเอาไว้เป็นอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีสินมีธรรมแล้วมันจะเป็นหาก่อมที่สุดหาก่อมจังได้บาท สมมติวาตาสีตาสายายมายายมีเจ็บหัวปวดท้องก็ไปเอ็กซเรย์โอ้ยตับเจ้าเน่าเบ้ดบาดมันสิพังเบ้อแล้ววะฉันต้องเปลี่ยนตับใหม่จากสองหมื่นก็ได้หรอกไม่ไงวันนี้เพราะอะไรญาติตายก็เลยรีบใหญ่เลยจีนี่ก็ไปขายไร่ขายนายืมพี่ยืมน้องแล้วก็ไปเปลี่ยนตับใหม่แท้ที่จริงตับของเราอาจจะดีที่สุดตัวยอง แต่เขาอยากจะได้ตับชนิดดีไปไว้ในธนาคารเก็บไว้เป็นอะไหล่ไว้ขายให้เศรษฐีมึงก็จะเอาตับของเราดีๆนี่แหละตัดออกไปไว้ซะในธนาคารตับแล้วก็เอาตับเฮงสวยมาให้เราเหมือนกับซ่อมอะไหล่รถยนต์อะไหล่ของเราเครื่องเราที่ดีๆนะว่าของเราเสียเราไม่เคยเป็นช่างแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็ทอดดีๆของเราไปไว้แล้วก็เอาของเฮงสวยไปให้เราวิ่งไปสองเดือนทางเดไปซื้อใหม่ อันนี้เพราะใส่ตามเฮงสวยก็าให้ปอดเฮงสวยไตเฮงสวยเขาให้อ เ, ห เ, ห เ, ใหเอาของดีๆของเราเก็บไว้เสียโอ้โหจับหายเลยที่นี่มาอยู่ไม่ทันไลยได้หามเข้าโรงพยาบาลไม่ทันมรณภาพไปเลยและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือวิศวกรรมหาก้อมอยุติทิศอินเจเนริ่งนี่ถ้าเกิดเราเฮอกันขึ้นมาคนไม่มีศีลมีธรรมนี่สําคัญที่สุดถ้าเกิดว่าห้องไลบราารีห้องแล บ, บ, บของพวกแพทยพวกหมอไปค้นพบ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 พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสุขโต ว, วาพิกเวโลเกจิธมานนสุขตาม ว, วินายโยงุจนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุสตานางดูก่อนวิสุทังร้ายทำวินัยของเราตถาคตเราตถาคตก่็ดียังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อ น, นั้นความสุขความสงบป่อบเย็นย่อมเป็นประโยชน์แก่โลกแก่มนุษย์แก่เทวดาในโลกนี้เพียงนั้น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 อันนี้มันอยู่ที่สินที่ทำที่สุดวิศวกรรมหากก่อมมันจะเกิดขึ้นทีนี้ไม่ว่าแต่ประพุทธเจ้านะอันเบิร์ตไอสไตน์นักวิทยาศาสตร์เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพที่สร้างระเบิดปรมาณูค้นพบเบื้องอะตอมขึ้นมานี่ แกก็มั่นใจในเรื่องเดียวที่พระพุทธเจา้าพูดไว้สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วในอันเบิร์ตไอน์สไตน์แกแก็เห็นด้วยแกบอาว่า the world of the future depends on modern strength modern force ขออภัยบอกภาษาฝรั่งเนี่ยแปล ว, ว่าโลกในอนาคตชะตากรรมของโลกจะอยู่ที่ความแข็งแกร่งความมั่นคงของศิลธรรม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 คู่กันมากับไบโอเทคโนโลยีการสื่อสารคามนาคมจะสะดวกมากจะทํางานอยู่กับบ้านก็ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อสายเข้ากับโทรศัพท์ทํางานสั่งงานสังน่งางานทํางานทางคอมพิวเตอร์จะเรียนหนังสือก็อเรียนที่บ้านโดยไม่ต้องไปโรงเรียนเรียนด้วยความเพียมคอมพิวเตอร์ชนิดพิเศษขึ้นไปอีกทํางานมีประสิทธิภาพสูงอย่างยิ่งเขาเรียก ว, ว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งเขาจะมีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่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 เข่นยนต์ก็เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถคิดเหตุผลได้พินารณตัดสนปัญหาต่างๆได้ในการสื่อสารระบบค ม, มนาคมจะก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ดาวเทียมเชื่อมแทบทุกส่วนของโลกให้ถึงกันแล้วติดต่อกันทันทีโทรทัพน์โทรศัพท์พทพมีอยู่ที่ได้มีโอยเป็นนั้นว่าถึงยุคที่จเจริญที่สุดแต่ถ้าขาดสินขาดทําแล้วจะตายกันได้ง่ายที่สุดปี2512เกือบจะวิตตายกันไปทั่วโลก 2,522 ที่ประเทศอเมริการัฐโคลร์ดะโดอยู่ทางภาคเหนือของอเมริกามีภูเขาลูนึงก็เรียกว่าเขา C ีเอนนะตรงนั้นเป็นสถานที่ต่อต้านอาวุธขีปนาวุธที่จะยิงมาจากทางรัเสเซียเป็นสถา น, นีรับสัญญาณมีคอมพิวต้องพิวเตอร์ใต้ภูเขาถ่ายรัเสเซียยิงตูมมาก็จะมีสัญญาณบอกทันทีทางนี้ก็จะกดปุ่มสวนทันทีเรื่องกับายเครื่องบินทะยานขึ้นไป อยู่ดีๆวันดีคืนดีไอคอมพิวเตอร์ที่เขาเซ็นนี่ก็สัญญาณไฟแดงว่าว่าว่าเพิ่มมาว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธมาแล้วอืมครูดมาแล้วทีนี้ก็หอเพ้อชิงสองบินตู้ขึ้นไปจะไปถล่มรัสเซียสวนทางอากาศในนี้ยังไม่มั่นใจตัวเช็คมาอีกทีถึงที่คอมพิวเตอร์ก็รู้ทีหลังว่าคอมพิวเตอร์มันโกหกมันหลอกลวงมันเล่นไม่ซื่อมันทํางานไม่ซื่อสัตย์ เห็นไหมล่ะถ้าหากไม่มีสตินิดเดียวเท่านั้นนึกว่าทางโน้นเอาทางนี้ก็ยิงก่อนเลยกดชึกทางโน้นก็กดสวนมาไม่รู้ใครเป็นใครโอ้โหตายหมดเลยอันนี้เรียกว่าไบโอเทคโนโลยีก็ดีหรือเจนิติกอินเจเนริงก็ดีแต่มาให้ชื่อว่าวิศวะกรรมห้ากล่อมเจอขึ้นีจะตายกันง่ายที่สุดเลยคนโบราณของเราท่านพูดเอาไว้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 เรื่อง้นเรื่องธรรมนั่นเดี๋ยวนี้เห็นท้องต้องกันแม้แต่คำกล่าวของพระพุทธเจ้าทั้งก็ยืนยันไว้ว่าความสุขของโลกอยู่ที่มีสิ้นมีธรรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆอย่างอันเบริร์อาจสไตา์ก็ยอมรับว่าจะต้องอยู่ที่ศิ้นที่ธรรม o r เรนโฟสโมเรนเซงความแข็งแกร่งของศิ้นธรรมความมั่นคงของสิลธรรมจึงจะควบคุมให้โลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขได้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 คนโบราณบอกพันที่สามนี้แหละจะวุ่นวายที่สุดแล้วก็จะมีพระญารรมิกราชเกิดขึ้นมาอีกเหมือนกันในช่วงนี้ประวัติตามหนนห่องหัวเมืองหน่อยใหญ่บ่มีไผอ่อนน้อมย่อมให้แก่กันไผกันยกพ่นสูบพ่นแซนเข่าใส่เมืองใหญ่ๆแลยหน่อยทั้งขายทั่วแดนอันว่าคนแสนหลานตายกันอันนั่นเนกแพลแล้วก็ห ขินควยข่วงเสมอดามดังคอนอันหนีโมหังหุมและวิชาเกียกรกล่อมจึงได้เกิดเดือดหอนเล่วสู่แต่กันอันวัสังโคเจ้าพวกมูม่วนที่คูผ้ากันไล่คำซ้อนแห่งองค์พุทโทษเจ้าเอาแต่ใจตัวแฉบบ่ทำตามพระสั่งสิกขาบททันวาไหวบ่มีใดเสือฟังฝูงมูสังโคเจ้า ทั้งหลายกระบอกยานยอนกันแล้วไพกระว่าไยเก่งกาบ่มีเงาะตอกันอันว่าข้องอุโบสถเจา้าบ่ห่ำตามเต็มสวนทําแต่พ่อเล็กหน่อยบอ่สนแถดังเดิมแถลแล้วตกถึงข้าวส่องพันตีปลายเศษเข็แต่สงพเจา้าสิศูนเสาเสื่อมลง่ง บางองทรงเพเรี่ยงเพียงผ่าพ่อนเลือเล้องเลี้งส่วนสิ้นคายวินัยกระขาดไปเลื่องเลื่อยหากพอเต็มตามขอคือพระองค์ยังอยู่วาวภิกษุปหลัดแผลหาเหลนเที่ยวบ่อายบางองค์เอาสายสอยท่องคาออกห า, ายใจมึนทพิษหีแผล ท, ทำพระเจ้าสัง่งสอนใครทาจังสัน่นหากเป็นบาปปาปังก็จะไปอบายแน่นอนจริงแผลบางองค์หล่นกัดปลาส้นไก่บางองค์ไปเที่ยวหาเสื่อ บางองไปเที่ยวขาหาสื่อเครื่องค้ายบางองค์เป็นหมอ้อแก่กันผีครับไหลบางองค์เป็นหมอ้อยาและแต่งแก่ไปแถ่สู่อันบางองค์ผ้ากันเล่นตอดลกลุมกันฟังยินทมทมเสียงฮอเนียงน่องเพลินบางองคผ้ากันเขา่าผ่าเมย์ย่ำคำหาเข่าหนามกินแทะดังขโยมว่าช้านีน่ดะมาพูดเสียงในฟิล์มซาวท็กซีเทมคงให้อภัยนะ เพือภ า, าษาฝรั่งก็พูดมาแล้วพูดถึงเรื่องคนโบราณพูดให้ฟังกับยุคนี้สมัยนี้อันนี้สังโคเจ้าองค์เพิ่นพิษทำให้เสื่อมองค์ที่ดีก่อหากยังมีโยมากนเหลือลาอาเนกน้ อ, นอ ง, นองในคนโบราณพูดมีทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปนกันไปในยุคนี้แต่จะเกิดปัญหา ม, มากนักทานายสังขมโลกมูสตานสตาดามุส นั่นแกก็เคยพูดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแกตายก่อน้ะแกทำนายถูกหมดเลยไอ้หมนี่จะคงจะมียานวิเศษคือมีสมาธิก้าคนโบราณที่เขียนมานี่อาตมายอมรับว่าเป็นคนที่มีสมาธิภาวนากล้าพอสมควรจึงสามารถมองเห็นสังคมได้อย่างชัดเจนดังที่เราฟังฟังมาเนี่ย อาตมาคิดว่าคงไม่ไกลเกินความจริงในหนังสือลำพื้นเมืองที่คนโบราณเขียนไว้เนี่ยนะและในพันที่สามนี้เองที่บอกว่าวัดวาอารามเนี่ยวัดป่าจะมีน้อยรงวัดบ้านจะรุ่งเรืองซึ่งแต่ก่อ น, น, นที่สุดสงฆ์นี่อยู่ในป่าสะส่วนมาก แต่นี้ตอนหลังมาเนี่ยพระรงองค์เจ้าทั้งเข้ามาอยู่ไปเข้ามาบิณฑบาตในบ้านชาวบ้านเกิดศรัทธามากก็เลยสร้างศาลากลางบ้านเอาไว้เมื่อสร้างศาลากลางบ้านเอาไว้คนก่อ น, นัด ก, กันมาทําบุญตักบาตรตรงนั้นสร้างพระพุทธรูปไว้กลับไว้ไหวต่อมาพระสององค์เจ้าฉันข้าวตรงนั้นรับบิณฑบาตแล้วไม่กลับฉันตรงนั้นเลยนอนพักผ่อนเย็นๆคอยกลับนัง่งมาเข้านอนตรงนั้นเลยไม่กลับคนก็ศรัทธาขึ้นอีก แล้วก็เลยสร้างที่ให้กันพักในมนจำมรนสาในบ้านไปเลยหลังจากนั้นบ้านโน่ก็เอาอย่างบ้านนี้ก็เอาอย่างหนักหนักเข้าก็เลยเกิดมีวัดบ้านขึ้นมาซึ่งแต่ก่อนนั้นวัดมันจะอยู่ในป่ามันมันมันไม่ใช่จะอยู่ในบ้านในคนโบราณท่านพูดไว้อย่างนี้นะเขาให้เราสั่งลายได้คิดดูเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้คนโบราณท่านบอกว่าในสมัยเนี้ย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 พ่านปีที่สามมาหอดดังนั้นก็หากเห็นต่างแฉะมาเลื่อยบ่อเศร้าส่วนวัดสังโคเจ้าทั้งหลายก็หากตาหลังผลก่อนมาอันวัดสังโคเจ้าก็หากผ้ากันถิ่มอลัญญาวัดป่าซะแล้วจึงผ้ากันมาอยู่ใกล้หิมบานบอ่อไกแ่แทนแล้วแต่ก่อนพุ่นบอ่อหอนเป็นจังสี่ยังมีอุบาศกเจ้าใจบุญผู้หนึง่งมิสภ่าก่อสางสล า, าไหวอทอดท่านตีดกับหิมบานว่ามีไก่เกินเขตจึงได้สางพุทธลบเจ้าประจำไหวทีร้อน ทานก็อุปถัทธเจ้าพุทธรลปตามศรัทธาเที่ยวมาปฏิบัติบอขาดวันแรงเส่าแต่นั่นสังโคเจ้าไปมาบินทบา ท, ทานก็นิมอนต์อยู่อย่างเศร้าหันพักผ้าบางองค์นั่นมาเศร้าหน่อยหนึ่งหายเมื่อแล้วเดินดันดุงไปบางองค์นั่นกับผ้ากันยุดอยู่พักพอนหันสันแล้วจึงค่อยไปหลายวันได้หลายเดือนแถมท้ายมาแล้วฟูงหมู่บ้านกับเฮมพอมทำกันเขาก็ผ้ากัน นั่มเอาเขาโพตรนั่งทุกสิ่งมาลำเลียงพาสงเจ้าซอยกันแต่นั้นสังโคจเจ้าพวกหมู่ชาวพิกษุก็จึงพากันมาพักเศร้าทวีขึ้นบางองค์นั่นพักเศร้านอนอยู่บางองค์นั่นเศร้าหันพักนอนแต่นั่นอุบาศกเจ้าภูระท่าส่างก่อจึงแด่นิมนต์สงอยู่หั่นจำพันตาหั่นต่อไปก็หากเป็นดังนั้นนั่นไปจนตลอดฝูงหมู่บ้านเหล่านั่นก็ คือด่าดังกันบ้านอื่นก็เลยทําเหมือนกันแต่นั่นสังข้อเจ้ากับผ้ากันมาอยู่ตามวัดบ้านเลื่องเรื่อยต่อมาแทนแล้วส่วนว่าฟงพระเจ้าเกิดชาวคนเกิดใหม่ก็เลยเข้าใจว่าแมนวัดบ้านเป็นตนต่อมาวัดบ้านนี่องค์พุตโตโบไดแต่งดอกนะ้มันหักเป็นไม้ขืนเข้าหนี่ดังเจ้ามาหนี่แล้วคนยิงผ้ากันสั่งตามกันขืนไหมวัดไงหน่อย